สวัส ด, ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยห้าสิบสองมิชนาลีกลุ่มแรกวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สิบสองนะครับพระธรรมลูกาบทที่สิบข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบสองโปรดฟังวจนะของพระเจ้าภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้นพระเยซูทรงตั้ ง, งสาวกอื่น อีกเจ็ดสิบคนไว้และใช้เขาออกไปทีละสองคนสองคนให้ล่วงหน้าพระองค์ไปก่อนให้เข้าไปทุกเมืองและทุกตำบลที่พระองค์จะเสด็จไปนั้นพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ไปเถิด ดูเถิดเราใช้ทั้งหลายไปหยุดลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนักป่าอย่าเอาไถ่เงินหรือยามหรือรองเท้าไปและอย่าคํานับผู้ใดตามทางถ้าจะเข้าไปในเรือนใดจงพูดก่อนว่าให้ความสุขมีแต่เรือนนี้เถิดถ้าลูกแห่งสันติสุขอยู่ที่นั่นสันติสุขของท่านก็จะอยู่กับเขาแต่หาไม่ สัน้นลิสุก ข, ของท่านจะกลับอยู่กับท่านอีกจงอาศัยอยู่ในเรือ น, นั้นกินและดื่มของซึ่งเขาจะให้นั้นด้วยว่าผู้ทํางานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตนอยากเที่ยวจากเรือนนี้ไปเรือนโน้นถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดและเขารับรองท่านไว้จงกินของที่เขาตั้งให้ และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หายและแจ้งแก่เขาว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้ท่านทั้งหลายแล้วถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดและเขาไม่รับรองท่านไว้จงออกไปที่กลางถนนเมืองนั้นกล่าวว่าถึงแม้ผงคลีแห่งเมืองของเจ้าทั้งหลายที่ติดอยู่กับเท้าของเราเราก็จะสวัดออกเป็นที่แสดงว่าเราไม่เห็นพ้องกับเจ้า แต่ท่านทั้งหลายจงเข้าใจข้อความนี้เถิดคือแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วเราบอกท่านทั้งหลายว่าโทษของเมืองโสดมในวันนั้นจะเบากว่าโทษของเมืองนั้นพิธีนักพรตชนะของพระเจ้าในวันนี้เกี่ยวข้องกับการประกาศข่าวประเสริฐครับพระเยซูส่งมิชเชนารีกลุ่มแรกเจ็ดสิบคนแบ่งเป็นคู่ๆทั้งหมดนะครับก็คือสามสิบห้าทีมด้วยกัน เราจะเห็นความจริงตรงนี้ว่าเป็นความรีบด่วนในเรื่องที่เราจะต้องประกาศข่าวดีข่าวประเสริฐมีคนมากมายครับกำลังคอยเพื่อที่จะรับการบอกเล่าเรื่องราวขององค์พระเยซูอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองครับคนทั้งหลายที่ออกไปประกาศหรือมิชเชนเรีกลุ่มแรกนั้นมิใช่ว่าเขาจะได้รับการต้อนรับเสมอ จะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่การประกาศขา่าวประเสริฐนั้นจะมีอุปสรรคจะมีสิ่งต่างที่ท้าทายการไว้วางใจพระเจ้าท้าทายความมุ่งมั่นการตัดสินใจที่จะเดินออกมาเป็นมิชชันนรีของพวกเราประการต่อไปก็คือต้องอย่าลืมว่า พระเจ้านั้นทรงจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นไว้สำหรับคนเหล่านั้นที่ออกไปประกาศการจัดเตรียมของพระเจ้านั้นเป็นการจัดเตรียมที่พอเพียงเสมอและประการสุดท้ายครับก็คือในที่สุดซาตานจะพ่ายแพ้พี่น้องครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เราจะเห็นกลุ่มของมิชชันนารีนะครับซึ่งไม่ใช่อักครทูด12คนนะครับอัครทูด12คนนั้นถูกส่งไปประกาศข่าวประเสริฐใน ลูกาบทที่เก้าครับแต่นี้เป็นอีกทีมหนึ่งนะครับก็คือสามสิบห้าทีมเจ็ดสิบคนนี้เป็นเจ็ดสิบคนที่เปียสูทรงเลือกสรรเขาและใช้พวกเขาออกไปทีมละสองคนให้ล่วงหน้าพระองค์ไปก่อนให้เข้าไปในทุกเมืองทุกตำบลที่พระองค์จะเสด็จไปนั้นพี่น้องครับการเดินทางเป็นคู่คู่นะครับเป็นสิ่งที่ดีเป็นการจะมีเพื่อนร่วมทางมีการหนุนใจ มีการป้องกันละมัดระวังภัยและมีพยานรู้เห็นนะครับสองคนนี้เป็นเรื่องที่จะต้องไปกันอยู่เสมอไปกันเหมือนกับเป็นบัดดี้กันพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองเราจะเห็นว่าบางคณะบางนิกายเมื่อเขาใช้ขดออกไปนะครับเขาต้องใช้เป็นคู่นะฮะเป็นคู่ตามธรรมเนียมชาวยิวนั้นกล่าวว่า สิ่งใดที่เป็นความจริงจะต้องมีคนยืนยันสองคนนะครับมีพยานรู้เห็นมีการถุนใจนะครับมีการป้องกัน ร, ระบัดระวังภัยพวกพวกปะกาเหล่านี้หรือมิเชลเลี่ยเหล่านี้จะไปจัดเตรียมพระมันคาของพระเยซูยังที่ที่พระองค์ต้องการเสร็จไปในระหว่างสองสามเดือนก่อนที่พระองค์จะถูกจับถูกจึงบนไม้กางเขนในข้อที่สองนะครับพระเยซูได้พูดถึง ข้าวที่ต้องเกี่ยวว่ามีมากและคนงานก็ยังมีน้อยคนงานที่ใช้กันได้มีน้อยพระเยซูไม่ได้หลอกลวงผู้ที่พระองค์เลือกสรรพระองค์บอกไว้ในข้อที่สามครับบอกว่าพวกเขาจะเหมือนลูกแกะที่อยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่าแต่อยงไรก็ตามครับถ้าเราไขควรถึงคําสอนของพระเยซูที่ว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีและเราเป็นลูกแกะเราก็จะลึกได้ว่าลูกแกะนั้น อยู่ในความคุ้มครองและการเลี้ยงดูของผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่คือองค์พระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าทีมมิชชันนารีส5สิบห้าทีมเจ็ดสิบคนนี้จะออกไปประกาศโดยที่พระเยซูไม่ได้ไปด้วยแต่พระองค์ได้จัดเตรียมสิ่งที่พวกเขาต้องการไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับในข้อที่สองนี้เองนะครับก็ตรงกับพระธรรมมัทธิวบทที่9เหมือนกัน นะครับมัทธิวบทที่เก้ามัทธิวบทที่เก้าได้พูดถึงเรื่องที่พระเยซูทรงชดพระเนศเห็นคนเป็นนั้นมากนะครับและทรงสงสารเขาเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นเหมือนกับฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระเยซูก็บอกว่าให้เราอธิษฐานครับอธิษฐานขอพระเจ้าให้ทรงคนมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์และในลูกาบทที่สิบนั้นก็ได้พูดนะครับว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เช่นเดียวกันครับพระองค์ก็ตรัส เหมือนกันว่าพวกท่านจงอ on ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พี่น้องครับที่นี่เราจะเห็นถึงหลักปฏิบัติอย่างหนึง่งเมื่อเราจะหาคนงานนะครับหาคนงานรับใช้พระเจ้านี้เราจะต้องอธิษฐานครับให้พระเจ้าส่งคนที่ถูกนะครับที่ดี the right person and the good person มาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์มาดูแลลูกแกะของพระองค์พี่น้องครับถ้าเราได้คนที่ไม่ดี คนที่ไม่เป็น the right person นะครับและเป็น the good person คริสจักรก็ไม่เติบโตครับในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าเมื่อคริสจกักรใดก็ตามมี the right person and the good person นะครับก็คือเป็นคนที่ถูกและเป็นคนที่ดีนะครับพระเจ้าก็จะเคลื่อนผ่านทางคนงานของพระเจ้าพี่น้องครับ ตรงจุดนี้เองนะครับทําให้ผมเองได้ออกมารับใช้พระเจ้าเพราะว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ครับพระกัมภีร์ตอนที่ว่าขอพระเจ้าให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ผมถือว่าเป็นการทรงเรียกส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับผมที่พระเจ้าเรียกออกมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาพี่น้องครับประการต่อไปนะครับเราจะดูในข้อที่สามถึงข้อที่สิบหกพระเยซูอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาจะต้องเอาไปครับสถานที่ที่พวกเขาจะไปพัก สิ่งที่พวกเขาจะต้องทําถ้าไม่ได้รับการต้อนรับพระเยซูยังได้กล่าวคาพิพากษาแก่เมืองที่ปฏิเสธไม่ยอมรับข่าวประเสริฐอีกด้วยนะครับในข้อสุดท้ายของพระคัมภีตอนนี้การเตรียมตัวก็ให้ทําตามพระโอวาสของพระเยซูที่ได้ส่งประทานแก่เหล่าสาวก12คนเนื่องจากมีเวลาจํากัดและต้องการให้ครอบคลุมพื้นที่จํานวนมากพระเยซูก็มีแ t r a t e g i หรือยุทธศาสตร์ของพระองค์พระเยซูสั่งพวกเขาไม่ให้เอาไถ่เงินไม่ให้เอาย่ามหรือรองเท้าไป ไม่ได้หมายความว่าพวกสาวกสวมรองเท้าไม่ได้แต่หมายความว่าพวกเขาไม่ต้องเอาของเผื่อครับไม่ได้เอาของเผื่อเวลาเราไปเที่ยวมึงนอกเรามักจะเอาของเผื่อแต่ว่าในการประกาศนั้นเราไม่ต้องเอาของเผื่อครับเอาของไปให้น้อยที่สุดเอาของที่จาเป็นไปเท่านั้นพระเยซูจะไม่บอกให้สาวกของพระองค์เดินทางบนถนนกาลิลีด้วยเท้าเปล่าอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับถุงเงินนะครับพระเยซูก็บอกว่าเขาต้องเอาถุงเงิน นะครับกับถุงเงินเดินทางไถเงินนะครับและห้ามคํานับคนตามทางนะครับก็คือห้ามทักทายตามวัฒนธรรมที่ใช้เวลานานมากและยุ่งยากการห้ามนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นคนที่ไม่สุภาพครับเพียงแต่พวกเขาจะต้องมีเวลาครับต้องหาเวลาเพราะว่าเวลานั้นมีน้อยพวกเขาไม่มีเวลาสําหรับการหยุดทักเพื่อพูดคุยกันตามทางตามธรรมเนียมที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน ต่อไปครับสาวกเข้าไปในพักกับครัวเรือนใดพวกเขาจะต้องรับอาหารในการเลี้ยงดูเพื่อเป็นการตอบแทนความเหนื่อยยากและพระเยซูห้ามเที่ยวจากเรือนนี้ไปเรือนนั้นเพราะว่าเป็นการเสียเวลามากพวกเขาต้องพักอาศัยในเรือนใดเรือนหนึ่งเฉพาะเจาะจงตามสถานที่ที่เขามอบหมายให้ไปและออกไปทําการประกาศที่คนเมือง น, นั้นในข้อที่แปดครับเป็นการคําชับเรื่องการอาหารการกินว่าจงขอจงกินของที่เขาตั้งให้ ความจริงแล้วชาวยูนั้นมีบทบัญญัติเรื่องอาหารตายตัวและถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นกินแล้วเป็นมนตินเพชรูตรัดให้ละเลยต่อข้อห้ามเหล่านั้นเสียและรับประทานของที่จัดให้เพราะพูดง่้ว่าวกินง่ายอยู่ง่ายนะครับพวกเขาต้องทำพันธกิจอะไรในข้อที่๙บอกว่าพวกเขาต้องรักษาคนเจ็บคนป่วยให้หายและแจ้งแก่คนเหล่านั้นว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้ท่านังหลายแล้วการรักษาโลกนะครับจะเป็นพยานถึงวิถานุภาพของพระเจ้าการสถิตยอยู่ของพระเจ้าการยืนยันพระเจ้า นะครับของพระเจ้าที่มีต่อสิ่งที่เขาพูดเป็นตัวแทนของพระเจ้าถ้าเมืองใดไม่ต้อนรับผู้ประกาศให้ออกจากเมืองนั้นและกล่าวว่าถึงแม้ผงครีแห่งเมืองของเจ้าทั้งหลายที่ติดอยู่กับพวกเท้าอยู่กับเท้าของเราเราก็จะสะบัดออกเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเราไม่เห็นพ้องกับเจ้าและนี่เป็นธรรมเนียมของคนยิวที่ยึดถือกันนะครับทุกครั้งที่เขาออกมาจากเมืองหวนต่างชาติเขาจะทําอย่างนี้ครับก็คือสะบัดผงครีดินเป็นสัญญาณว่าการสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่ายประสบความล้มเหลว พระเยซูทรงใช้คำรรเนียมนี้นะครับเพื่อชี้ให้เห็นถึงการพิพากษาต่อผู้ที่ปฏิเสธอาณานจักรของพระเจ้านะครับนี่คือมิชชันนารีทีมแรกที่พระเยซูนะครับสาสิบห้าทีมพระเยซูส่งออกไปนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นพวกอัครสาวกสิบสองคนในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อมิชชันนารีของเรานะครับคนที่ประกาศข่าวประเสริฐทั้งหลายเพื่อที่จะให้แผ่นดินของพระเจ้านะครับ เกี่กว้างไกลยขยายออกไปและที่ฐานเผื่อตัวเราเองครับหลายหลายคนอาจจะได้รับการส่งเรียกเป็นมิชชันนารีออกไปประกาศข่าวประเสริฐนะครับในต่างถิ่นต่างแดนขอพระเจ้าหนุนกำลังและเสริมเรี่ยวแรงให้กับพี่น้องทุกทุกท่านอาเมน